ถ้าตายแล้วก็แล้วกันไปถ้ายังไม่ตายเมื่อตื่นนอนตอนเช้าก็ทำใจไว้ว่าวันนี้กับวันที่ผ่านมาแล้วแต่ละวันแต่ละวันจะไม่เหมือนกันวันนี้เราจะเจอเหตุการณ์อะไรอีกไม่มีความแน่นอนอะไรเลยเราต้องเตรียมตัวเอาไว้ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนี่แหละนักปฏิบัติต้องทำอย่างนี้หลวงพ่อทูลขิ ป, ปะปัญโย ผมได้เคยพูดคุยกับญาติธรรมบางท่านท่านก็บอกไว้ว่าได้ไปฟังธรรมได้ไปปฏิบัติธรรมมาหลายแห่งหลายที่แต่ก็ยังมีความสงสัยอยู่คือตสงสัยว่าสำนักนั้นครูบาอาจารย์นั้นถ้าก็สอนวิธีการปฏิบัติธรรม ในแนวที่ท่านได้ศึกษาในแนวที่ท่ได้สอนอยู่ที่นั่นก็สอนเรื่องนั้นวิธีแบบนั้นคือหลายวิธีของการปฏิบัติได้ผ่านมาหลายสำนักหลายครูบาอาจารย์การปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันแต่บางที่บางแห่งก็คล้ายๆกันก็เลยทำให้ญาติธรรมเนี่ยเกิดความสับสน สับสนว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีไหนกันแน่แบบไหนกันแน่ที่เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วก็ถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกก็สับสนว่าเจ้าอย่างไรดีครูบาอาจารย์นั้นก็ว่าแบบนี้เป็นทางที่ลัดสั้นตรงเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ว่าแบบนี้ถูกต้องที่สุดตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ก็ได้ฟังมาแบบนี้หลายคนไม่ใช่เป็นเพราะบางท่านหลายท่าน อันนั้ก็ไม่เป็นไรนะก็อย่าตับสนเป็นเรื่องธรรมดาของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องมีหลายแบบหลายวิธีอย่างงี้แหละในโลกเราเนี่ยมันยังกับอะไรลนะ่ะเขายกอาหารไม่เราหนึ่งสำรับมีอาหารหลายชนิดให้เราเลือกเราก็เลือกทานไปดูที่ว่าอาหารแบบไหนมันจะถูกจลิตกับเราเราชอบแบบไหนแบบไหนเราทานได้ทานไม่ได้เราก็เลือกเอา การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันแหละให้เราเลือกปฏิบัติว่าแบบไหนมันถูกจริย ก, กับเรามันปฏิบัติแล้วสะดวกสบายเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยวิธีใดก็ตามเนี่ที่มุ่งให้เรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมุ่งให้เรามีความรู้สึกตัวเป็นหลักให้มีความรู้ตัวแล้วก็เป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความปล่อยวางอันนี้ถูกต้องทางนั้นแหละ ส่วนอุบายต่างๆเนี่ยก็เพื่อตรงเนี้อุบายยวิตีหรือวิธีการปฏิบัติก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่และอุบายเนี่ยก็เพื่อให้มีความรู้สึกตัวเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นไปเพื่อความปล่อยวางก็จะถึงที่สุดของความทุกข์ได้เนเราก็เลือกเอาว่าอุบายไหนมันถูกกับจริตของเราพระพุทธองค์ท่านก็ส่งตัดไว้ว่าสเสมอเราจะข้ามฝั่ง จะข้ามฝั่งแม่น้ําเนี่ยเราเจอ พ, วพ่วงแพเราก็อาศัยพ่วงแพนั้นนะ่ะทอข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งพอถึงฝั่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องขึ้นฝั่งด้วยตัวเ ป, ปล่าๆไม่ต้องแบกพ่วงแพนั้นไปด้วยนี่เป็นคําอุปมานะเหมือนอย่างกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเป็นวิธีใดก็ตามแบบใดก็ตามผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นไม่ยึดติดในวิธีแบบนั้นไม่ยึดติดในวิธีการปฏิบัติแล้วก็ไม่ยึดติดในครูบาอาจารย์ด้วยต้องปล่อยวางต้องไม่ยึดมัน่นผลสุดท้ายแล้วจะไม่มีวิธีการปฏิบัติเลยเพราะต้องปล่อยวางต้องไม่ยึดติดจะได้หลุดพ้นโดยไม่มีตัวผู้หลุดพ้นดับทุกโดยที่ไม่มีตัวผู้พ้นทุกแต่ว่าในขณะนี้เดี๋ยวนี้เรายังเป็นผู้ที่เดินทางอยู่ เราก็ต้องอาศัยรูปแบบไปก่อนอาศัยพ่วงแพรเพื่ออข้ามฝั่งไปฝั่งกันนน้นเราจึงต้องมาศึกษาวิธีการปฏิบัติให้มันถูกตรงกับจริตของเราคือต้องฝึกที่จะทำให้เป็นซะก่อนเราต้องทำให้เป็นเจริญสติให้เป็นเนยเพราะว่าการเจริญสติเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้สึกตัวเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถึงมั่นเป็นไปเพื่อความปล่อยวางอะไรัน เราต้องมาทําให้เป็นเจริญสติให้เป็นรู้สึกตัวให้เป็นให้ถูกต้องพอเราทําถูกต้องแล้วเป็นแล้วเนีย่ย <commencer> เราจะไปเจริญสติที่ไหนก็ได้ทําที่ไหนก็ได้จะไปรู้สึกตัวที่ไหนก็ได้จะไปปล่อยวางหรือไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ไหนก็ได้คือเรามีเครื่องมือไว้แล้วเร า, ามีเครื่องมือไว้แล้วคือการทําให้เป็นทีนี้เราจะทราบได้อย่างไรว่า เราเจริญสติเป็นแล้วทำถูกต้องแล้วอันเนี้ยสำคัญนะเราจะทราบได้อย่างไรเนี่ยเราฟังอยู่ทุกวันทุกวันบ่อยๆทำอยู่เนึงๆเนี่ยเราจะวัดผลตัวเองได้ยงไงว่าเราทำเป็นแล้วถูกต้องแล้วอันนี้ง่ายๆมันมีอยู่แล้วในตัวเราการเจริญสติให้เรารู้เสว่าเดี๋ยวนี้ขนาดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังรอนฟังรายการอยู่ เราก็รู้สึกตัวรู้ได้ไหมว่าเราอยู่ในอิริยาบถนอนเรากําลังนั่งฟังรายการแล้วก็เคลื่อนไหวไปด้วยเรารู้ตัวไหมว่าเรากําลังเคลื่อนไหวเรารู้ตัวไหมว่าขณะนี้เรากําลังเดินกําลังทําอะไรอยู่ถ้าว่าเรามีสติแล้วมันมีอาการปวดเมื่อยทุกขเวทนาขณะนี้เดี๋ยวนี้ เรารู้ตัวไหมถ้าเรารู้ตัวได้แล้วก็เราจะเริญสติได้แล้วเรากําลังมีความคิดปรุงแต่งจะเรื่องอะไรก็ตามปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เรารู้ตัวไหมหรือเรากําลังเผลอปล่อยจิตปล่อยใจใเลื่อนลอยขาดสติถ้าเรารู้ตัวว่าเราขาดสตินี่นะเรารู้ตัวแล้วนะตอนนี้ถ้าขาดสติแล้วก็สติเกิดทันทีเลยง่ายๆใช่หไหมเราสามารถเปรียบ อยู่กับปัจจุบันเราได้นสำคัญที่ว่าต้องมีปัจจุบันรู้ตัวขณะปัจจุบันที่กำลังมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยและจิตใ จ, จต้องปกติต้องไม่สงสัยสำคัญมากเลยคือมีความรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรในขณะปัจจุบันเฉพาะหน้ากับจิตที่เป็นปกติเฉยๆกลางๆสบายๆนี่แหละถือว่าเราปฏิบัติถูกต้องแล้ว ไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วปล่อยวางแล้วด้วยถ้ายึดติดเนี่ยใจจะหนักถ้าปล่อยวางเนี่ยใจจะเบาสบายจิตที่รู้ตัวเฉยๆเบาสบายๆเายเนยนะมันจะทําให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาเพราะอะไรเพราะเราจะสามารถรู้ในสิ่งที่มันกำลังปรากฏขึ้นตามที่มันเป็นจริงอะไรเกิดขึ้นขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เรารู้ตามเป็นจริงนี่หละ คือการเริ่มรู้ธรรมอย่างเช่นว่าเรากําลังรู้สึกตัวอยู่ขณะ น, นี้รู้ที่รูปปกายกําลังเคลื่อนไหวเรากําลังรู้ว่ารูปกายกําลังเคลื่อนไหวซึ่งว่าเป็นรูปธรรมเป็นรูปประธรรมนะรูปมันกาลังเคลื่อนไหวไปมานี่คือรูปประธรรมไม่ใช่เรานะ <c oughs> ไม่ใช่เราที่เป็นรูปประธรรมเราคือผู้รู้ รูปธระมก็เคลื่อนไหวรูปประมธรทมคือทอทงรอเรือรอเรือมอมบาอันนี้คือรูปประมซึ่งไม่ใช่เราแล้วรูปมันกำลังทำดีซะด้วยกำลังทอสรรอัมทำรูปกาลังทาดีไม่เราทาดีรูปมันทาดีทำอะไรคือทำการเคลื่อนไหวสร้างสติกับเราแล้วคลายเราพุทธิช้รูปประทมันทาดี ก็คือนามมาทำนั่นเองคือผู้รู้เนี่ยเป็นนามมาทำผู้รู้ผู้คิดเนี่ยแหละเป็นนามมาทำสอนให้รูปมันทำดีนามก็ทำดีรูปก็ทำดีไม่มีตัวเราไม่ใช่ตัวเรา เ, เป็นเรื่องของรูปของนามมันทำดีนามมันคิดดีทีถ้าหากว่านามมันคิดไม่ดีนะเช่นคิดโลภอยากได้ของของคนอื่นคิดโกรธคิดเบื่อหน่าย อิจฉาลิสยาคิดหึงหวงวิตกกังวลหวาดระแวงเบื่อเบื่อเซ่งเซงอันเนี้ยนามคิดไม่ดีนะแสดงว่าเป็นนามทุกนามมันเป็นทุกขไม่ใช่เราทุกนะ <c oughs> อย่าไปตูนะเราเป็นเพียงแค่ผู้รู้ผู้ดูเฉยๆนามมันเป็นทุกขเป็นความคิดเรื่อเป็นนามารคเป็นโรคของนามโรคในทางจิตวิญญาณแต่รู้เป็นความพิการทางจิตก็ได้ซึ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันเรามีสติ รู้ทันให้มีสติรู้ทันในความคิดประเภทนี้รู้เฉยเฉยอย่าไปห้ามอารมณ์และความคิดอย่าไปบังคับความคิดไม่คิดแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยอย่าไปบังคับนามมาทําให้รู้เฉยเฉยผู้รู้ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นนามจิตที่มันคิดปรุงแต่งนี่ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นนามนามารู้นามหรือ จ, จิตรู้จิตสติรู้จิตซึ่งไม่ใช่เรา เป็นกระบวนการของธรรมะฝ่ายนามมาทําล้วนๆรู้เฉยๆแล้วก็ทิ้งอากาศเหล่านั้นซะกลับมาเจตนารู้ลงไปที่กายกําลังเคลื่อนไหวคือรู้รูปรู้รูปซึ่งไม่เฉ่ลอยอยู่อนกั น, นอาศัยแปะรู้เบาๆสบายๆเราจะเห็นธรรมะที่เกิดจากรูปประธรรมธรรมะที่เกิดจากรูปประธรรมต่อไปคืออะไรอาจจะเป็นความทุ ก, ทกขเวทนา ซึ่งเป็นทุกข์ของรูปไม่ใช่ทุกข์ของเรานะทุกข์ของรูปทุกข์ของรูปเราต้องแก้ไขแต่ทุกข์ของนามคือทุกข์ของจิตใจของพิธเนี่ยไม่ต้องไปแก้ไขเราต้องทำหน้าที่ปล่อยวางวางมันซะแก้ไขไม่ได้หรอกนา Personal. มธรรมเรามารู้ที่รูปซะแล้วก็เป็นการแก้ไขไปในตัวอยู่แล้วไม่ยึดติดในนามธรรมาอยู่แล้วปล่อยวางอยู่แล้วกลับมารู้ที่รูปประธรรมคือรูปกายที่กำลังเคลื่อนไหวอันนี้แหละจะเห็นรูปทุกข์ซึ่งไม่ใช่เราเป็นทุกข์ ก็มีสติรู้เท่าทันแล้วก็เปลี่ยนยาบทไปอาจจะหิวอาจจะกล้าหายปวดเมื่อยมีโรคภัยแค่เจ็บซึ่งเป็นโรคของรูปเราก็แก้ไขเยียวยาหาหมอรักษาทานยาไปเนี่ออาการเหล่านี้ละ่ะคือธรรมะที่เกิดขึ้นในกายในใจของเรารูปธรรมที่เคลื่อนไหวแล้วก็อาการต่างๆที่เกิดจากรูปทุกขเวทนาต่างๆเนี่ยคือธรรมะเป็นทุกข์ของรูป เห็นทุกคือเห็นธรรมเห็นธรรมคือเห็นทุกคือทุกที่เกิดจากรูปจากนามคือธรรมะเขาไมา่เรารู้ไมใ่ใเราเห็นมาแจกปัญญาให้กับเราอย่าไปไปฏิเสธให้เรามีสติรู้เท่าทันตามที่มันเป็นรู้เฉยเฉยรู้แบบปล่อยๆวางๆอย่าไปยึดติดส่วนการแก้ไขนั้นก็แก้ไขไปด้วยสติอาการอย่างเนี้ยทาให้จิตเราเบาสบายจิตเราจะว่างจะมีความสดชื่นสดใส พะเราเป็นเพียงแค่ผ <descon fin anta> ู้รู้เฉยๆจิตจะเป็นอิสระจะเบิกบานตื่นรู้เบิกบานนี่เรื่องของจิตส่วนเรื่องของหน้าที่นั้นเราก็ต้องทำไปตามหน้าที่ส่วนภายนอกเรามีหน้าที่เป็นสามีก็ทำหน้าที่อย่างสามีด้วยจิตใจที่ตื่นรู้เบิกบานเรามีหน้าที่เป็นภรรยาก็ทำหน้าที่อย่างภรรยาให้ดีที่สุดด้วยจิตใจภายในที่ตื่นรู้เบิกบาน เรามีหน้าที่เป็นครูเป็นคุณหมอเป็นคุณพยาบาลหน้าที่อะไรก็ตามเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่ก็ทําหน้าที่ของเราด้วยความถูกต้องอย่างดีที่สุดแต่ใจเราเนั้นก็ตื่นรู้เบิกบานทําด้วยสมมุติสนุกสนานเพลิดเพลินตื่นรู้เบิกบานอยู่ภายในใจเราจะเป็นอิสระเนี่ยทาด้วยความปล่อยวางด้วยความไม่ยึดมั่นถึงมั่นอันนี้เราคือความสุขในทางธรรม เป็นปิติในทางธรรมเราไม่ต้องไปคิดเอาการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่ความคิดใช้แค่ความรู้สึกตัวสบายๆกับสิ่งที่เรากระทำในหน้าที่การงานของเราในชีวิตปัจจุบันทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบขอให้เราทำอยู่เสมอๆหนึ่งๆให้ต่อนเนื่องเมื่อลืมแล้วก็แล้วไปเผลอแล้วก็แล้วไปให้เรามาเริ่มรู้สึกตัวใหม่อย่างวันเนี้ย นับไปพรุ่งนี้วันออกพรรษาเราถือว่าเราโชคดีมากที่เรายังได้มีชีวิตมีชีวิตมาถึงวันออกพรรษาเนี่ยเราโชคดีนะหลายคนเนี่ยไม่หลุดพรรษาปตายในพรรษาก็มีเราอย่าประมาทเราต้องปฏิบัติต่อไปในพรรษาเราก็ปฏิบัติออกพรรษาเราก็ปฏิบัติถ้าเรายังไม่ปฏิบัติก็เริ่มต้นปฏิบัติวันออกพรรษาก็ได้เริ่มต้นการเจริญสติเริ่มต้นทําความรู้สึกตัว แม้ว่าจะเป็นวันออกพรรษาไปแล้วแต่ความทุกขยังไม่ออกจากใจเราเรายังไม่ออกจากความทุกมันวันที่ออกพรรษาไปเราก็ต้องปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจนกว่าทุกมันจะออกพรรษาคือออกจากใจเราเราจึงไม่ควรประมาทให้เราจเจริญสติทำความรู้สึกตัวกับชีวิตประจำวันสืบต่อไป